ได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดำเนินถึงวิชาที่เรียกวาจารณะก็ได้ ก็ได้ทรงบรรลุวิชาและวิชาที่ได้ตรัสแสดงไว้โดยมากก็คือวิชาสามอันได้แก่บุเพนิวาสานุสติญาณ ความรู้จักระลึกชาติขนหลังได้จุตูปปาตยานความรู้จักจุติและบังเกิดอาสวัคยะยานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ ค, คือกิเลสคือกิเลสที่ดองจิตสันดานจะได้จับแสดงไปโดยลำดับตามพระพุทธทธิบายประยานที่หนึ่ง หรือวิชาที่หนึ่งที่แปลว่าความรู้จักระลึกชาติผลหลังได้เป็นการแปลเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ตามศัพท์ แปลว่าความยังรู้ตามระลึกถึงนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในปางก่อน คำวนิวัดที่แปลว่าที่อาศัยอยู่นี่ก็เป็นคำที่หมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดังที่นำมาใช้กันอยู่ในภาษาไทยก็มี แต่ที่อยู่อาศัยในระยานที่ยังรู้นี้หมายถึงขันห้าอันได้แก่รูปขันกองรูป เวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณย่อลงรูปประขันก็เป็นรูปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นนาม ย่อลงเป็นรูปกับนามแต่โดยปกติเรียกกลับนามรูปหรือนามารูปขันห้าหรือนามารูปนี้ชื่อว่าดิวัดคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย เกิดมาคำว่าสัตว์ทั้งหลายนี้หมายถึงทั้งมนุษย์ดิเรกชนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ตลอดถึงผู้ที่บังเกิดในอบัยโลกอื่นๆมีนรกเปรตอสุรกาย และในโลกสวรรค์เป็นเทวดามารพรมทั้งหมดรวมเรียกว่าสัตว์ท้งนั้นเพราะคำว่าสัตว์นี้แปลว่าผูคข้อง คือผูกข้องติดอยู่ในโลกยังต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์หรือว่าอบายโลกดังกล่าว รวมเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดนี่วัดที่อาศัยของสัต ว, ตะวะโลกหรือของสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวที่ มีขันห้าเช่นมนุษย์ทั้งหลายจัตติยฐานทั้งหลายโดยมากก็คือขันห้าหรือนามรูปดังกล่าว และปะยายามที่รู้จักระลึกถึงนิวัติคือขันเป็นที่อยู่อาศัยนี่ตามที่ทรงแสดงไว้ ก็ทรงยกถึงพระองค์เองเป็นที่ตั้งว่าทรงรู้ระลึกได้ถึงนิวาดคือขันที่เป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์เองในชาตินั้นๆย้อนหลังไป 1ชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติหชาติหชาติเจชาติแปชาติกชาติส0บชาติย0 3ส 40, 5า6ส 70, สี่ส1 0ห้าสหสเจดแปสเกสบร้อยพนแสและยิ่งยิ่งขึ้นไปหลายกลับหลายกัน ว่าพระองค์ได้ทรงอุบัติในชาตินั้นมีชื่อมีโครอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ ีสุขมีทุกอย่างนี้มีที่สุดแห่งอายุอย่างนี้เป็นต้นจุดติคือเคลื่อนจากชาตินั้นแล้วก็อุบัติคือเกิดในชาติโน้น เรื่อยๆไปและทรงระลึกได้ย้อนกลับมาว่าจากชาติโนนมาสู่ชาตินั้นจนมาถึงชาตินี้ ซึ่งเป็นปัจจุบันชาติปรายามที่รู้จักระลึกชาติผลหลังไดน้นี้ท่านแสดงว่าเป็นเหตุกาจัดโมหะ คือความหลงที่กำบังขันทสันดานคือความสืบต่อแห่งขันทำให้มองเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุก และอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนของขันที่เป็นที่ยึดถือทั้งหลายนี่เป็นภยานหรือวิชาที่หนึ่ง ระ ย, ยานหรือวิชาที่สองจุตูปป า, ปาตระ ย, ยานรู้จักจุติและอุบัติคือเกิด ตามที่ตรัสแสดงไว้ได้ยงได้ทรงยกสัตว์ทั้งหลายขึ้นเป็นที่ตั้งว่าได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ ติอยู่อุบัติคือเกิดอยู่โดยทิพประจุกต์คือตาทิพย์ที่ล่วงวิสัยมนุษย์สามัญว่าเป็นไปตามกรรม ตทั้งหลายผูประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด่าว่าพระอริยะทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิ สมาทานคือถือปฏิบัติกรรมของมิจฉาทิธฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงทุกคติคือกติที่ชั่วมินิบัต คือที่ซึ่งตกต่ำนรกคือที่ซึ่งไร้ความเจริญไร้ความสุขประกอบด้วยความทุกข์ต่างๆส่วนสัตว์ทั้งหลายอูประกอบด้วยกายสุจริตวาญญสุจริตมโนสุจริตไม่ด่าว่า พระอริยะทั้งหลายเป็นสัมมาทิธฐิสมาทานกรรมของสัมมาทิธฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติคือกติที่ดีเข้าถึงโลกสวรรค์ คือโลกที่มีอารมณ์อันเลิศประกอบด้วยความสุขต่างๆได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติอยู่อุบัติคือเกิดอยู่ มีสุขมีทุกข์มีวันณะดีมีวันณ ะ, ะเลวไปดีไปไม่ดีเป็นต้นเป็นไปตามกรรมคือการงานที่เด็กกระทำเอาไว้ ทำกรรมดีก็ไปดีทำกรรมชั่วก็ไปชั่วดังนี้เป็นพยานหรือวิชาที่สองซึ่งกรรมจัดโมหะคือความหลง ที่กบังกรรมสกตาคือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนทั้งเป็นเหตุกําจัดศีลพัตปรามาตความยึดถือในศีลในวัด ในทางที่ผิดต่างๆกำจัดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดต่างๆในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นระยานหรือวิชาที่สาม อาสวัคขย า, ยานความอย่างรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ตรัสอธิบายไว้ว่าทรงได้ยานคือความอย่างรู้หรือวิชาความรู้ที่แจ่มแจ้งถูกต้อง วันนี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนีความดับทุกนี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเหล่านี้อาสวะนี้เป็นเหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ด้วยภยานหรือวิชานี้จึงทรงสิ้นอาสวะทั้งหลายทรงพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดทรงเป็นอภปิสัมพุทโธ คือภูตัสสรู้ยิ่งแล้วคือตัสสรู้อย่างยอดยิ่งเลิศล้ำในโลก รอมทั้งเทวโลกมาราโลกรมโลกเลิดล่ำในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดามนุษย์ทั้งหลายอาสวัคยายานนี้จึงเป็นระยาน สำคัญที่สุดแต่ก็สืบเนื่องมาจากะยานที่หนึ่งและที่สองั้งตน้นซึ่งตามพุทธประวัติได้แสดงว่าทรงบรรลุ ปรงยานที่หนึ่งในปฐมมยามของราตรีปรพยานที่สองในมัชฌิมยามของราตรีปรพยานที่สในปัจจิมยามของราตรีที่ในตรัสรู้นั้นพยานแลวิชาทั้งสมนี้พุทธเจ้า ได้ทรงบรรลุเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าสูงอย่างยิ่งล่วงวิสัยของสามั ญ, ญชน แต่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพูตรสรู้ระธรรมซึ่งเป็นพระศาสนาเอกในโลกก็เพราะได้ทรงบรรลุภยานหรือวิชาที่เป็นอย่างยิ่ง ทาไม่ทรงมนพรพุะยานนวิชาที่เป็นอย่างยิ่งทรงมีภยานนวิชาซึ่งเป็นธรรมดาเหมือนอย่างสามนันมนุษย์ทั้งหลายก็มีได้เป็นบุคคลพิเศษในโลก แต่เพราะได้ทรงบรรลุประยานหรือวิชาที่เป็นอย่างทรงยิ่งดังนี้จึงทรงเป็นบุคคลพิเศษในโลกทรงลำเลิศ เทพและมนุษย์ทั้งปวงและเมื่อพิจารณาดูตามกระแสของธรรมะก็ย่อมจะพอ ได้แม้ว่าจะโดยเลือนลางก็ตามคือเห็นทางที่ทรงปฏิบัติว่าเป็นไปได้คือบรรุวิชาดังกล่าว ดังในภยานหรือวิชาที่หนึ่งทรงรู้จักระลึกชาติผลหลังได้มีคำว่าระลึกก็มาจากคำว่าอนุสติ ระลึกตามและยานคือความอย่างรู้ก็คือระลึกย้อนไปได้และก็รู้ไปได้อันสติคือความระลึกได้นี้ ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนซึ่งเป็นสามัญชนต้องมีคือความระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้อันเป็นความจำอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสามารถทําพูดได้อยู่ในปัจจุบันก็ต้องอาศัยภาษาพูดที่จำมาได้ตั้งแต่พ่อแม่สอนเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆจนถึงปัจจุบัน ถ้าลืมภาษาที่พูดเมื่อไรก็เป็นอันวพูดไม่ได้แต่เพราะยังระลึกได้จึงพูดได้และการกระทําอะไรทางกายต่างๆได้ถูกต้องตั้งตนแต่การพัเปลี่ยนอิริยาบถ การงานที่กระทำมันประพฤติก็ล้วนแต่จะต้องระลึกได้ถึงการที่ได้หัดมาได้ฝึกมาในอดีตจึงมาทำได้อยู่ในปัจจุบัน แม้ความคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆยังคิดได้รู้ได้ก็เพราะว่าระลึกได้ถึงเรื่องนั้นๆจึงคิดได้รู้ได้ถ้าลืมซะแล้วก็คิดไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะจะไปคิดในเรื่องที่ลืมแล้วนั้นหาได้ไหม จำไปรู้ในเรื่องที่ลืมแล้วเสียหาได้ใหม่จะคิดอะไรได้จะรู้อะไรได้กนใน็ในเรื่องที่ยังจำได้คือ ย, ยังระลึกได้ทั้งนั้นดังนี้เป็นตัวสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก